ที่จงตั้งใจฟังธรรมเทศนาการฟังธรรมเทศนาให้ด <c oughs> ูจากความหมายเทศนาอะไรที่พระองค์ะเทศนาก็าดีพระครูบาอาจารย์เทศนาก็าดีความประสงค์ของท่านประสงค์อะไร พุทธศาสนาที่พระองค์สอนนั้นสอนให้เห็นทุกสอนให้จักทุกไม่ไดสอนอะไรทั้งหมดสอนทุกทั้งนั้ น, น, นซึ่งเป็นต้นเหตุของโลกที่โลกจะเกิดส้นมากเกตเพราะมีทุก ต้นเหตุของทุกข์ของโลกอนั้นคือตัวทุกข์นั่นแหละไปสอนที่ไห น, นตรงไหนก็นเทศตรงไหนก็นเทศเทศเรื่องทุกข์นั้นเพราะอะไรเพราะคนเราเกิดขึ้นมามันมีทุกข์อยู่แล้วทุกคนจึงให้เห็นตามเป็นจริง ทุกสิ่งทุกส่วนที่เราเกิดเ้อมาเนได้อวัยวะทั้ ง, งหวงมดโดน่นจะมีทุกประจาไปทั้งนั้นพระองค์ยังสอนให้เห็นตามเป็นจริงมีแขนมีขามีหูมีตามีอวัยวะทุกชิ้นส่วน น้อนน่ะทุกข์ไปจำได้ทั้งนั้นแต่คนเราไม่มองเห็นตาก็เป็นทุกข์หูก็เป็นทุกข์จมูกร่างกายก็เป็นทุกข์อวัยวะทุกชิ้นส่วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ทุกข์ยังไง มันเกิดคือมาตั้งอยู่แล้วก็ต้องกระทบกระเทือนมันเกิดึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ต้องแปรปวนไปต้องรับสู่ในเป็นที่สุดนอกจากนั้นอีกตาหูจหมูกร่างกายมันกระทบอิดทารลมสิ่งที่พอใจ สิ่งที่ยินดีชอบใจนั้นก็จำมาความดีนั้นติดไวในใจอยู่เสมอจะยืนเดินนั่งนอนไปมานึกตั้งหลายปีล่วงแล้วไปตั้งหลายปีก่อนนึกคิดถึงอยู่เสมอ การนึกคิดนั้นม่ใจเป็นความสุขแต่ความหลงของคนนะเข้าใจว่าสุขคือคิดถึงอารมณ์ของเก่ามันเดือดร้อนเป็นทุกข์ก็วนกระวายก็ะซับกระสายนั่นเรีย ว, ว่าเป็นทุกข์ตัวมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้ว ตาโ hu จมูรินกายมีตาก็มีโรคไว้สำนักให้เจ็บให้ขันตาต้ตตาแดงมีโรคไว้จามไว้นั่นท่านหน่อยจะคูโลโครวมเรียกว่าโรคให้ตา มีหูก็มีโรคไปจาอยู่ในตัวมีจมู ก, ม, กมีลีน้นมีกายยิ่งมากมายเยอะเจ็บปวดนดนีสสารพัดทุกอย่างโรคแสกโรคซึมโรคไปจาตัวโรคแสกโรคซึมคือมันจอมา เป็นไข่เป็นวัดเป็นวัดเป็นไอสัตภาพัด ท, ทุกอย่างมันจอนมาเรื่อที่เกษรนานานับส่วนโลกของมันเองทันแต่กเกิดมามันได้โรคในตัวอยู่แล้วเจ็บปวดเมื่อยนั่นนี้ต่างๆเป็นโรคทั้งนั้น เป็นทุกข์ทั้งนั้นแก่เท่าชราสำรุดสุดส่งมันโลกไปจำมันทั้งนั้นอะโลกทั้งหลายเหล่านี้แหละมันยากที่คนจะมองเห็นเมิส์สมารถมองขามใชม มีตาคอยใจว่าตาได้เห็นสิ่งที่ดีที่ชอบชิ่นนาเพิดเพินจะเดินใจชอบ อ, อกชอบใจลืมคิดถึงเรื่องกงกระ ม, มีหูมีจมูกไม่ดีไม่กกลก็เพลินตามหลงตามลืมมองกงกระถาม มีดีเองก็ต้องมีชั่วเท่าๆกันนั่นแหละหรืนยิ่งจะร้ายกว่าขั่วอะไรยิ่งจะร้ายกว่าดีจำอีก <c oughs> อย่างมีตาเนี่ยไป ม, มองเห็นสิ่งสารพัดทางฟวงหมดมันทำไมมีตาก็ไม่เห็นรูปเกลิดเพลินจเจริญใจนั่นสิ่งเพลินจเจริญใจนั่นแหละ มันทุกข์ในนั่นเนี่ยความเจริญใจนะั้คือความทุกข์ น, นั่นแหละมันเจริญตรงไห น, นชอบใจตรงไหนเห็นรูปสวยๆรูปงามๆรูปที่หน้าเพลิดเพลินเจริญใจความเพิดเพลินเจริญใจ น, นั้นตัวนั้นแหละคือตัวทุกข์แต่เราไม่เห็น น่าเห็นว่าสุกไปยางที่ปลายฟังแล้วมันไปติดไปขล้องไปโพคพันเป็นยินดีเพลิดเพลินนั่นแหละความทุกข์เพลินกับทุกข์นั่นหะตาเห็นเป็นสิ่งที่เราเพลิดเพลินเนจริญใจชอบใจ อันนั้นก็เป็นทุกข์แล้วกรงกันข้ามอีกคราวนี้ไม่เห็นอ่ะคราวน่ก็เสียดายคิดถึงเรื่องอันที่เห็นนั้นอันที่เจริญใจที่ชอบใจนะนั้นยิ่งทุกข์ใหญ่ <S <S อนอกจากนั้นอีกอันได้ตามาค่อยบ ำ, บำรุงบำรเลอรักษา การเจ็บการป่วยเล็ก น, น้อยเอาแว่นมาสวมไว้สายตาสั้นบัสายตาไม่เห็นสว่างสายตาสั้นเรียกว่า <c oughs> เป็นโรคกัหนึ่งแล้วนะประจามี่แล้วนะต้องเอาแว่นตามาใสา่มาสวม <c oughs> เมื่อไม่มีแว่นมันก็ไม่เห็นหูก็เหมือนกัน เมื่อไม่ได้ยินเสียงก็ะ้อเอาเครื่องมาใส่ค้าหาว่ามันมีเครื่องใส่มันก็ไม่ได้ยินนั่นเลยมันกลุ่มมันขามมันไม่ใช่สุขมันเป็นทุกข์ยังร้ายกว่า น, นั้นอีกเมื่อมันทุกข์ขอเรามีหูได้ความสุขสบาย มีตามีหูได้ความสุขสบายเวลามันเสื่อมเวลามันเสียเวลามันมีกนบริการเจ็บตาเจ็บแสนสาหัสมันควงได้มาไม่รู้จักเจ็บเวลามันได้มามันเจ็บ เวลามันเป็นมาเวลามันป่วยมาเจ็บจนกระทั่งร้องครวนคางเจ็บหูก็เหมือนกันเจ็บฟันก็เหมือนกันนิ่งแล้วล้วมองเห็นได้ความดีในที่มันยังว่าแทนเจ็บขเข้าใจว่าสุขเวลาทุกข์มันทุกข์รลายกว่าสุขนั่นเีงให้มองขุงกันข้าม จะไปเห็นได้ถ่ายเพียวไว้ว่าทั้งมดที่ได้มานี่ยเหมือนดังนั้นน่ะให้คิดเอาเองถ้าหูจมูหวงเรียนกายใจให <puzzles> <t ills> <i> ้ค <t ills> ิดเอาเองคำว่ากายเนี่ยมันมดทางกายมดทุกสิ่งทุกอย่างรวมในในกายนั้นเป็นโรคไข้ไัยไข้เจ็บาตกสารพัดทุกอย่างมันหมด มันต้องทุกเดือดร้อนคนเราเมื่อจะตายมันต้องเดือดร้อนเต็มที่กระสับกระสายสะโวลกระวายเดือดร้อนเต็มที่ที่เขาเรียกว่าท่าแตกคั้นตับกระสับกระสายดินหล่นจนเต็มที่แล้วก่อนเมื่อท่าแตก มันก็หมดมันก็หมดกวนก歪กันไม่รู้สึกอะไรแล้ว น, น, นั่นตอนนะมันจะตายแล้วนะถ้ามันยักวนกวายังไม่ตายหรอกมันยังรู้สึกอยู่มหมดแล้วก็หมดคนรู้สึกแล้ว น, นั่นแหละมันจะตายนะถ้ทำยังไงราคาเนี้มันจําเป็นทุกคนและเกิดขึ้นมา ตั้งแต่พระเจ้าเป็นต้นมาปรัชศาสดายอดเยี่ยมของโลกท่านก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันท่านเห็นแล้วท่านเห็นจริงแล้วท่านจึงสอนพวกเราเพื่อให้พวกเราเห็นตามท่านแล้วจะเอาไปไว้ไหนนะทุกครนี้เอาไปไหว้ไห้ทำไมไม่มีใครรับหรอก แล้วาฝากไปไปทำไมรับจะไปซื้อไ้ขายเขาทำไมเอาทุกคนมันมีอยู่แล้วทุกกดเรื่องทุกทั้งหลายเรานี้เอาไปซื้อไปขายมันก็ไปเพิ่มทุกข์เขาอีกก็สิทุกอนหนึ่งแล้วก็ทุกสองทุกสามเข้ามาเพิ่มไปอีกมันก็แย่ yeah, สิ ไม่มีใค ร, หรเหล่าเจ้าก้อนทุกกองทุกเมื่อผู้องค์เห็นเช่นนั้นแล้วจำเป็นจะต้องเข้ามาค้นขว้เห็นตัวทุกตามเป็นจริงดังที่ว่ า, านั่นเองฉันเห็นทุกตามเป็นจริงแล้ว ความสุขของพระองค์นั้นอ่ะมันจะเกี่ยวข้องส่วนสุขของจิตเพราะเห็นทุกข์ทั้งหลายแล้วนั้นเป็นของเบิกบานทุกข์ก็เป็นเรื่องของทุกข์ส่วนจิตจะเป็นเครื่องเบิกบานอยู่ในใจเพราะเห็นสภาพตามเป็นจิต พระองค์ยังให้เห็นตามตอนนั้นจริงอยู่แหละเมื่อยังมีชีวิตคือมีวิญญาณสัมผัสรู้ได้รู้ต่างๆมันจะไม่ให้ทุกข์ไม่มีทัานถ้าไม่ทุกพระองค์เจ้าก็ไม่นิพพานนั่นแหละการที่จะนินพพานในขาพมันทุกข์นั่นแหละทุกข์ถึงที่สุดนั่นแหละ แต่ทุกข์อันนั้นไม่ได้เบียดเบียนพระองค์พ่อเห็นตามเป็นจริงเพ่งพิจารณาเห็นตามเป็นจริงพระองค์จึงโค่นจากทุกข์ได้พวกเราก็ลองดูสิทั้นทัดตั้งสติพิจารณาเห็นทุกข์ตามเป็นจริงแล้ว ทุกนั้นจะไม่ทับถมใจของเราเลยสติตัวนั้นแหะเป็นของดีเด่นลั่วมดทุกสิ่งทุกอย่างสตินั้นให้คุณทายเดียวไม่มีโทษเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณล้วนตะเปโทษทั้งนั้นเวทนา ความเจ็บปวดไม่อยู่ดีสบายได้อยู่ดีสบายก็ดีหรือเฉยก็ดีในเมื่อมันที่เฉยก็เฉยอยู่หรอกแต่หากว่ามันจะกลับมาเป็นเวทนาสุขทุขขกข์เขาก็กลับเยิ่งไย่โฟก็สเก่าอันนั้นมันกลับไปกลับมาไม่เหมืสติสติตอนนี้ถ้าหากว่าควบคุมให้อยู่แนว่วแน่ในมีสติอยู่แล้ว จะตั้งมั่นทาวอนตลอดเวลาสัญญาความจดจำก็เช่นเดียวกันสังขารเลียนยานก็เช่นเดียวกันปรุงร้องแต่งสารพัดนิ่งําให้มากไปทำให้ทุกมากเขากันอีกกว่านั้นอีกพ่อมีขันห้าเหล่านี้แหละมันยังทุกมากเมื่อพระองค์เมื่อ เอาสติไปตั้งไว้ในขันห้าส่วนใดส่วนหนึ่งในรูปเวทนาสัญญาณสังขารหนึ่งอยางมันรู้เท่าเข้าใจตามจริงแล้วความทุกข์แก่ไม่ครอบงามจิตมันยากเหมือนกันถ้าจะพูดทุกข์มีอยู่แต่ไม่สามารถที่จะครอบงามจิตมันยากพูดตรงนี้ยากที่จะเข้าใจ หากเห็นด้วยตนเองเมื่ อ, อไรแล้วนั่นเนี่อ๋ออย่างนี้เนนราจึงจะพูดได้ออกฝากไปอ๋อขึ้นมาแล้วนี่สนนติจึงว่าไม่มีเสียหายยิ่งตั้งไว้มากอะไรสติเข้มแข็งอะไรไม่ให้อารมณ์ทั้งหลายนั้นมาย่ำยีเบียดเบียนได้ ท่างบ้นาน่าไรยังได้ความสุขมากทังหพุทธศาสนานี้รวมมุงที่สติแห่งเดียวเทศมากไม่ใช่เท่าไรก็เอาเถอะรวมบางที่สติแห่งเดียวอัปมาเดนะสามป่าเดทา ท่านทั้งหลายจึงยังความประมาณเรื่ร้อมเมถิดคือความไประมาทคือเรื่อสติเองดีเรื่องทั้งหลายลนั่นมันเป็นเรื่องปรุงแต่งเรื่องไปตามกิเลสเรื่องยุ่งเหยิง ความมรรคิเลตทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นก็เพราะไม่มีสติมีวันทั้งหลายจะเกิดขึ้กกนก็เพราะไม่มีสติอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นอตามัรจตาทางหกก็เพราะไม่มีสติเพราะสติไม่พอมีก็ไม่พอถ้าส ต, ติเข้า่ปแท่งพิจารณาแล้วเรื่องทั้งหลายนั้นหายหมดัด ยังเหลือจะสติอันเดียวสติกับจิตเลยเข้าไปอเดียวกันสติคุ้มจิตนันไว้ที่แรกที่มันดิ้นโลนวุ่นวายต่างๆคือตัวจิตดิ้นโลนคุ้มอยู่นั่นนะไม่ให้มันส่งออกนอกคุ้มอยู่ในที่เดียวไง จนกระทั่งมันอยู่สติท่านนั้นเลยเข้ามาจิตด้เข้ามารวมสติไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวนั่นแหละตรงที่ยังจะเห็นของจริงทุกทั้งหลายที่อธิบายทั้งหมดจะเห็นขึ้นตรงนั้นแหละกาท่ายังไม่ได้ถึงตรงนั้นตราบใดมันก็ยังหลงเชื่อตาม มันอยู่ตอลอดเวลามันยุส่งเสริมให้เห็นดีเห็นชอบให้เชื่อมั่นตามมันล้วก็หลงตามมันมันจะตีตั้งมันหนึ่งในสิ่งเดียวได้แล้วถอนจากมันมา สติก็จิตรวงเข้าไปแล้วเลเป็นอิสระในตัวจะมองเห็นสิ่งชั่วทั้งหลายที่เป็นมานั้นเป็นของหน้าทุเรศทุรังเป็นของหน้าเบื่อหน่ายเป็นเหตุในจิตสลดสังเวเอาละเทศนาตอนนี้แนละ้ว ที่พูดทั้งหลายแล้วนั้นที่ว่าไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจตามจริงจริงอันนี้พระเหตที่เราไม่มีสมาธิฮัตสมาธิให้แน่วแน่ฮัดสมาที่ให้มันเป็นสมาธิคือความแน่วแน่เป็นหนึ่งนั่นเรียกว่าสมาธิท่านไม่เห็นสมาธิ ตลาใจแล้วไม่เห็นตามเป็นจริงตรมา <c oughs> มันเคยเพลิดเพลินรุ่มหลงมัวเมามานมนาจะเกิดมาแล้วแต่หลายภพหลายชาติแล้วยากที่จะทำใจให้อยู่เป็นสมาธิได้เหตุนั้นมาจึงม่เห็นตาเป็นจริง มันไม่เห็นตามเป็นจริงกับคนก็หลงหมัวเมาอยู่ตามเรื่องตทั้งหลายที่มันเวียนว่ายแต่เกิดก็เพราะเหตุเหานี้แหละท่านทำสมาธิให้เป็นหนึ่งแน่วแน่ลงไปคิดออกจากสมาธิแล้วจะพิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริง จึงจะตัดกระแสความกระวนกระวายเกี่ยวกับของก้อนห่วงมดพ้นจากทุก์ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนนักสอนหนาสอนสมาธิภาวนาให้เข้าถึงหลักอันหนึ่ง เข้าทั้งหลังอันหนึ่งแล้วตั้งมั่นอยู่ด้วยสติใจเป็นเป็นหนึ่งแล้วมีสติทุกเมื่อจะคิดจะนึกจะตึกตองอะไรต่างก็เห็นตัวมันอยู่รู้ตัวมันอยู่มันคิดดีหรือคิดชั่ว คิดยากละเอียดให้กระู้ตัวอยู่ตลอดเวลาความชั่วมันเป็นของน่าเกลียดพึงกลัวมันต้องชำระแน่สิความดีมันเป็นเหตุน เ, น, เ, น, เน่เพลิดเพลินคิดในทางที่ชอบมันก็เป็นเหตุนเนึ่นเพลิดเพลินสนุกสนานเมืความดีนั้น ก็ไข่ใจยังไม่อยากได้ก็รักษาไว้แต่ติมันเห็นอยู่อย่างนี้กตลอดเวลาคิดชั่วแว บ, บเดียวเท่านั้นนันก็เห็นเป็นโทษใหญ่ตตวหวทันมันก็มีแต่ความดีความชั่วกับความดีมันหักล้างเข้าอยู่ในตัว เมื่อหักล่างอยู่ในตัวเห็นชั่วมากเข้าไปมันก็หักล่างมากความชั่วนั้นออกไปออกไปมันก็เหลือแต่ความดีของพระความสุขสบายเกิดขึ้นในที่นั้นนั่นแหละเราฝึกหัดอบรมนิสัยของเราอบรมใจของเราตรงนั้นแหละให้มันละชั่ว ใม่เห็นความชั่วฝึกหัดนิสัยใจสันดาหของเราให้มันค่อยดีขึ้นเ้ื่อการลบล้างกันอย่างนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิแน่วแล้วอย่าไปอยากรู้อยากเห็นนั้นมันหารู้ขึ้นมาเอง คิดเป็นธรรมที่ไม่ใช่มันอยู่ตลอดเวลาอยู่พักหนึ่งในชั่วคู่ชือวคราวแล้วมันจะต้องออกส่งสายไปตามเรือนส่งสายออกไปมันเห็นตามเป็นจริงนะคะน่านนี่ไม่เหมือนเมื่อไห่ฝึกฝนอบรมเมื่อไห่ฝึกฝนอบรมมันก็ส่งสายเหมือนกันแต่มันเพลินมัวเมาขบขมมันสงสายไป ไม่ทาว่าดีไปชั่วการฝึกฝนอบรมแล้วมันดีเต็มที่เข้าถึงจิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วมันสายออกไปคาเนี่มันเป็นเรื่องสายไปหาปัญญาเกิอดอุบายปัญญา <c oughs> มันยังสามารถรู้แจ้งเห็นจริงจริงร้นนั่นได้เห็นนั้นจริงว่าฝึกหัดตรงสมาธินี่แหละให้มนันคงอย่าได้มากทักเท่าไรไม่มีประมาณครับสมาธิมันมากกันเถอะไม่มีประมาณเราะเราไปใช้ไปสอยสิ่งต่าง เดี๋ยวหมดไปสมาธิไม่พอเดี๋ยวหมดไปแต่วันหนึ่งวันหนึ่งเราหัดสมาธิไหวมันน้อยใช้ไปเลยหมดแต่วันหนึ่งวันหนึ่งเลยไม่เหลือให้มันเหลือทีวันหนึ่งมันเหลือไว้ทีนี้แต่น้อยช้าสมไว้ทีจึงเรียกว่าภาวนาทํำคงเพียร ทัานธรราที่ไม่มีมันก็ไม่ใช่ทำเพราะว่านาคามเพียรนะสิไม่เหลือไว้หาเงินหาทองก็ลองดูสิหาวันใช้วันมันก็หมดท่านแหละไม่มีเหลือหาไว้เหลือไว้วันหนึ่งเดือนนิดเดือนหน่อยมันก็หลายวันขง้ขึ้มากสะสมขึ้นแต่ยังค่อยมีค่อยรวยขึ้น